ตอนที่หนึห้าตามมาดักรอถึงในบ้านอันที่จริงหลีหวานไม่ได้ตั้งใจจะหลบหน้าหยวนเศร้าเหิงจริงๆเพียงแต่เมื่อเจอเขาแล้วเธอมักจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ไม่มีทางกลับไปเป็นความรู้สึกแบบพี่น้องที่บริสุทธิ์ใจได้อีกก่อนที่เธอจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดทางที่ดีที่สุดคืออย่าเพิ่งเจอกันจะดีกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทั้งที่รู้ว่าหวนโม่ชอบเธอเหมือนกันแต่หลีหวานยังคงวางตัวตามปกติได้เท่าพอเป็นหยวนเศร้าเหิงเธอกลับไม่รู้ว่าควรจะทําตัวอย่างไรดี เมื่อกลับบ้านในช่วงสุดสัปดาห์หลีหวานไม่คาดคิดเลยว่าจะได้เจอหยุนเศร้าเหฮงที่บ้านในสถานการณ์เช่นนี้เธอไม่สามารถแซงทําเป็นมองไม่เห็นหรือเดินหนีได้เสียวหวานกลับมาแล้วหรือเจ้าชุนหัววกวักมือเรียกหลานสาวด้วยความดีใจรีบมานั่งเป็นเพื่อนย่าหน่อยสิครั้งล่าสุดที่หลานกลับมาก็เมื่อเดือนก่อนช่วงนี้ยุ่งมากเลยหรือคะหลีหวานโนพยักหน้าอย่างลังเลช่วงนี้ยุ่งมากจริงๆข้าต้องคอยเรียนรู้กับผู้เท่าเที่ยตลอดเลย เสียวหวานของย่ากเก่งจริงๆเจ้าชุนฮาัวากุมือหลีหวานไว้ไม่ยอมปล่อยยิ่งโตัวเด็กคนนี้ก็ยิ่งสวยขึ้นจริงๆจำได้ว่าตอนที่สแม่ลูกเพิ่งมาถึงใหม่ๆเสียวหวานยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ทั้งดำทั้งผอมอยู่เลยตอนนี้กลับกลายเป็นสาวสะพรั่งผิวพรรณก็ขาวขึ้นมากโดยเฉพาะดวงตาและคิ้วคู่นั้นช่างเหมือนกับหลีชิงถิงไม่มีผิดเพี้ยนสวยกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยเธอนึกไปถึงสิ่งที่หยวนเศร้าเฮิงเพิ่งพูดเมื่อครูแววตาจึงไหววูบเล็กน้อยเสียวหวานย่ายังตุนซี่โครงแกวไว้ในครัวเดี๋ยววกกกจจะะคุันนไป่่อนนารารบลม เมื่อเจ้าชุนหววพูดเช่นนั้นหลีหวานก็ไปไหนไม่ได้เธอรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนเข็มหยวนเซ้าเฮิงจ้องมองเธออย่างไม่ปิดบังหลีหวานไม่มีที่ให้หลบจึงตัดสินใจสบตาเขากลับไปตรงๆที่แะที่โรงเรียนที่ก็หยุดเหรือคะเปล่าหยวนเซ้าเฮิงตอบเสียงต่ําหลักๆคือช่วงนี้เธอเอาตลกหน้าไม่ยอมเจอพี่ๆเลยลองงานกับทางโรงเรียนโดยตรงความคิดของหลีหวานเมื่อครู่คือจะแซงทําเป็นลืมไปเสีย แต่หยวนเศ้าเหิงเห็นได้ชัดว่าไม่คิดจะปล่อยเธอไปเออไม่ได้หลบนะคะแค่ช่วงนี้ยุ่งเกินไปหน่อยหลีหวานยิ้มเจรอนยุ่งจนไม่มีเวลาแม้แต่จะกินข้าวกับพี่เลยเหรอหรือยุ่งจนไม่มีเวลาแม้แต่จะพูดกับพี่สักคําที่รู้ว่าที่เธอพูดมานั่นเป็นแค่ข้ออ้างบอกที่มาตรงๆเถอว่าในใจเธอคิดยังไงไม่ต้องพูดเรื่องอื่นคราวนี้คําพูดของเขาตรงไปตรงมาเสียยิ่งกว่าเดิมหลีหวานไม่รู้จะรักษาพอยิ้มบนใบหน้าไว้ได้อย่างไรเธอรอบกลืนน้าลายโดยไม่รู้ตัว ฉันเธอไม่รู้จริงๆว่าควรจะพูดอะไรดีเสียวหวานเธอเกลียดที่ไหมนยวนเศ้าเหิงเอ๋ยถามอีกครั้งแน่นอนว่าไม่เกลียดค่พี่เป็นพี่ชายของฉันนะลีวันตอบกลับโดยไม่ลังเลแต่ตอนนี้พี่ไม่ใช่พี่ชายเธอถ้าพี่อยู่ในฐานะผู้ตามจีบเธอเกลียดที่ไหนลีวันเม้มปากเธอไม่รู้จะตอบคําถามนี้อย่างไรเกลียดหรือไม่เกลียดมันตอบยากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเธอเกลียดเหวิรนโม่ไหม หยวนเศร้าเหิงรุกถามต่อไม่หยุดพี่ค้าันว่าตอนนี้เรายังไม่เหมาะจะคุยเรื่องนี้มีอะไรไว้ค่อยคุยกันวันหลังเถอะข้ให้ฉันได้คิดให้รอบคอบก่อนหลหวันคิดครู่หนึ่งแล้วกล่าวต่อว่าฉันไม่ได้เกลียดพี่หรอกค่ะเพราะก่อนหน้านี้พี่วางตัวในฐานะคนในครอบครัวกับฉันมาตลอดความรู้สึกที่ฉันมีต่อพี่ก็เหมือนกับที่มีต่อเสี่ยวซิงและเสี่ยวหยางพอพี่เปลี่ยนไปกระทันหันแบบนี้ฉันเลยทำตัวไม่ถูกเข้าใจแล้วเพราะเธอยังเด็กอยู่สินะ หยวนเร้าเหิงพยักหน้าเล็กน้อยเขาหยุดเว้นจังหวะไปครู่หนึ่งเสี่ยวหยางอายุพอๆกับเธอเขายังมีเพื่อนนักเรียนหญิงที่แอบชอบเลยพี่ไม่เชื่อหรอกว่าเด็กวัยอย่างเธอจะไม่มีความคิดเรื่องนี้เลยสักนิดอีกอย่างสภาพจิตใจของผู้หญิงมันจะโตกว่าผู้ชายอยู่แล้วขนาดเสี่ยวซิงยังรู้เลยว่าตัวเองรู้สึกดีกับใครตอนนี้หลีวันดูเหมือนจะเอาเรื่องอายุมาเป็นข้ออ้างไม่ได้แล้วจริงๆพวกเจ้าคุยอะไรกันอยู่บรรยากาศดูเคร่งเครียดเชียว เจ้าชุนฮวาเดินเข้ามาในห้องพยายามพูดจาเพื่อปรับบรรยากาศเสี่ยหวันครั้งนี้อุตส่าห์กลับมาทั้งทีก็อยู่บ้านต่ออีกสักสองสามวันเถอะแม่ของหลานใ น, นช่วงก่อนเหนื่อยจนป่วยแต่พวกเราไม่กล้าบอกหลานเพราะกลัวจะกระทบการเรียนเหนื่อยจนป่วยได้ยังไงคะหัวใจของหลีหวันบีบคั้นขึ้นมาทันทีอยู่ดีๆทาไมถึงเหนื่อยจนป่วยได้ร่างกายแม่ของเธอก็แข็งแรงมาตลอดหรือว่าจะเป็นเพราะดูแลเด็กๆเหนื่อยเกินไป ก็พรดูแลเด็กๆ เ, เหนื่อยเกินไปนะสิเจ้าชุนหัวกล่าวตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ย่าเลยคิดว่าจะจ้างป้ามาช่วยงานที่บ้านอีกสักคนหลานก็เห็นว่าย่าอายุมากขึ้นทุกวันก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้วันๆแค่ทํากับข้าวซักผ้าในบ้านก็เหนื่อยจะแย่แล้วถ้าข้ายังสาวกว่านี้อีกสักไม่กี่ปีก็คงดีคุณยา่าขะอายุขนาดนี้คุณย่าควรจะได้พักผ่อนใช้ชีวิตบรนปลายอย่างมีความสุขไม่ควรต้องมาทํางานหนักแบบนี้ค่ะลิวานรีบร้อนจะกลับไปดูอาการแม่ของเธอจึงคุยกับคุณย่าเพียงไม่กี่คําแล้วก็เดินจากไป เจ้าชุนหวาเหลือบมองหยวนเซ้าเหิงที่อยู่ข้างกายย่อุตสาให้โอกาสดีขนาดนี้แล้วยังคว้าไว้ไม่ได้นี่เจ้าทำเขาตเตลิดหนีไปอีกแล้วหรือหยวนเซ้าเหิงไม่พูดอะไรถือเป็นการยอมรับโดยปริยายการจีบสาวนะเขาไม่ได้ทำกันแบบนี้ถึงแย่จะสนับสนุนให้พวกเจ้าคบกันแต่ย่าสนับสนุนให้พวกเจ้าชอบพอกันทั้งสองฝ่ายนะถ้าเสียหวานไม่ได้มีใจให้เจ้าเจ้าก็ต้องหัดปล่อยวางเสียบ้างเข้าใจไหม ตอนนี้เธอก็แค่ยังไม่รู้ว่าจะยอมรับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปนี้ยังไงเดี๋ยวต่อไปก็ค่อยๆปรับตัวได้เองครับแววตาของยนเศร้าหิงหม่นลงเขามองตามทิศทางที่เธอเดินจากไปอย่างคลุ่นคิดคุณย่าครับผมอยากอยู่ที่บ้านสักพักได้สิย่ารู้มาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเจ้าเป็นเด็กที่มีความคิดลึกซึง้งแต่ผลเป็นยังไงล่ะย่าเลี้ยงเจ้ามาตั้งหลายปีกลับไม่รู้เลยว่าในใจเจ้าคิดอะไรอยู่เสียแรงที่ตอนแรกย่านึกว่าเจ้าอยากกลับไปหาพ่อแม่บังเกิดกล้าวเลยจากไปที่แท้เจ้าก็ หากยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จะเป็นได้เพียงพี่น้องเท่านั้นนี่เพียงการจากบ้านหลังนี้ไปเท่านั้นพวกเขาถึงจะมีโอกาสเป็นอย่างอื่นได้คุณยารับต่อให้ตระกูลหยวนจะรวยแค่ไหนแต่ผมก็เติบโตมาในบ้านหลังนี้ตอนเด็กๆที่ผมป่วยยา ก, ก็ดูแลผมทั้งวันทั้งคืนถ้หลานคนนี้กลับไปเพราะเห็นแก่งเงินก็คงไม่ใช่คนแล้วครับพูดแบบนั้นไม่ได้หรอกตระกูลหยวนมีประโยชน์ต่ออนาคตของเจ้ามากกว่าญารู้ว่าเจ้าเป็นคนมีอนาคตไกล เจ้าชุนหัวายกมือขึ้นตกบ่าเขาเบาๆพยายามเข้านะเรื่องของความรู้สึกมันบังคับกันไม่ได้หยวนเศร้าเหิงรู้ดีและเพราะมันบังคับกันไม่ได้นี่แหละเขาถึงได้รู้สึกว่ามันยากลําบากเพียงนี้ร่างกายของหลีชิงผิงไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนักหลีวาละมือจากการตรวจชีพจรแม่คะเลี้ยงเด็กสองคนเหนื่อยเกินไปใช่ไหมคะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ส่งเซี่ยวอู่ไปโรงเรียนอนุบาลก่อนเถอะคะโรงเรียนอนุบาลในเขตบ้านพักทหารของเราเห็นว่าอายุครบสามขวบก็เข้าเรียนได้แล้วไม่ใช่เหรอคะ ตอนนี้ยังไม่ครบสามขวบเลยจ้ะลีชิงผิงรู้สึกไม่วางใจที่จะส่งลูกตัวเล็กขนาดนี้ไปโรงเรียนอนุบาลพ่อของลูกก็พูดแบบนี้บอกว่าให้แม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลไปเลยเมื่อก่อนเสียวซิงกับคนอื่นๆก็ผ่านกันมาแบบนี้ทั้งนั้นนั่นสิคะอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลอาจจะไม่แย่ไปกว่าอยู่บ้านหรอกขอยู่ข้างนอกอยิ่งได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยควรจะลองให้เขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กในวัยเดียวกันดูบ้างนะคะ